คำถามการที่ได้มาสนทนาธรรมกับพระนี้จะทําให้เราได้บุญกุศลหรือไม่เพราะคนทั่วไปมักจะคิดว่าบุญคือทานศีลภาวนาหลวงพ่อตอบ เราต้องเข้าใจว่าบุญคืออะไรทานคืออะไรเราต้องเข้าถึงความหมายนั้นลักษณะของทานทานเพื่ออะไรเพื่ออนุเคราะห์เพื่อละความตรหนีเหนียวแน่นบุญคือความสบายอกสบายใจ